หมายถึงฟันขาวสะอาดเป็นระเบียบเรียงรายประดุดไขมุกที่นายช่างจัดเข้าระเบียบแล้วริมฟีปากงามหมายถึงริมฟีปากบางโค้งเป็นรูปกระจับสีชมพูเรื่อคล้ายผลตำลึงสุกเป็นเองโดยธรรมชาติมิใช่เพราะตกแต่งแต้มทาผิวงามหมายถึงผิวขาวละเอียดอ่อนเหมือนสีดอกกัิกา ลักษณะนี้มีสองอย่างคือถ้าผิวดำก็ดำอย่างดอกอุบลเขียวอมเลือดอมฝาดเปร่งปรังคล้ายสีน้ำพึ่งซึ่งนำมาจากรังพึ่งใหม่ๆไวัยงามหมายถึงเป็นคนงามตามวัยงามทุกวัยเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็งามอย่างเด็กเมื่ออยู่ในวัยสาวก็งามอย่างหญิงสาวเมื่ออยู่ในวัยชาราก็งามอย่างคนชารา นางวิสาขามิใช่ชาวสาวัตถีโดยกำเนิดแต่เป็นชาวสาเกตต้นตระกูลดั้งเดิมของนางอยู่กรุงราชคลืสมัยเมื่อพระเจ้าประเสนทิโกสนเสด็จไปขอเศรษฐีจากกรุงราชคลืนั้นจอมเสนาแห่งแควนมคตได้มอบธ น, นชัยเศรษฐีบิดาวิสาขาให้มาเมื่อเดินทางมาถึงเขตกรุงสาวัตถี ธ น, นชัยเห็นสถานที่แห่งหนึ่งมีทำเลดีเหมาะที่จะสร้างเมืองได้จึงทูลขอพระเจ้ากรุงสาวัตถีเพื่อสร้างที่พักตรงนั้นพระเจ้าพระเศสนทิทรงพระอนุญาตต่อมาจึงสร้างเป็นเมืองให้ชื่อว่าสาเกตเพราะนิมิตที่มาถึงที่ตรงนั้นเมื่อตะวันรอนวิสาขาจเจริญเติบโตขึ้นที่กรุงสาเกตนั่นเอง จเจริญไัวขึ้นด้วยความงามงามอย่างจะหาหญิงใดเสมอเหมือนได้ยากแต่เป็นผู้ไม่ยิงธนงในความงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสัยมีกริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีที่ได้รับการอบรมดีจนกระทั่งมีอายุพอสมควรจะแต่งงานแล้วบิดาแห่งปุณณวัฒนกุมาร ในตรุงสาวัถีจึงส่งธูดไปขอนางเพื่อบุตรของตน แต่งงานของนางวิสาขาเป็นเรื่องมโหฬารยิ่งท่านันชัยเศรษฐีให้หนายช่างทําเครื่องประดับมหาราดาปราสาทเป็นชุดวิวาแห่งทิดาเครื่องประดับนี้แพรวเปล่าไปด้วยเพชรนินจินดามากหลายไม่มีผ้าได้ผ้าไหมหรือผ้าใดๆเจือปนเลยที่ที่ควรจะใช้ผ้าเขาก็จะใช้แผ่นเงินแทนในเครื่องประดับนี้ ต้องใช้เพชร4ธนานแก้วมุกดา11อธนานแก้วระลาน20สธนานแก้วมณีส3สาธนาลลูกดุมทำด้วยทองห่วงทำด้วยเงินเครื่องประดับนี้ทุมตั้งแต่ศีรษะจดหลังเท้าบนศีรษะทำเป็นรูปนกยูงลำแผนขนปีกทั้งสองข้างทำด้วยทองข้างละห้าร้อยขน จะ ง, งอยปากทําด้วยแก้วปารานในตาทําด้วยแก้วมณีก้านขนและขาทําด้วยเงินลุกยูงนั้นประดิษฐ์อยู่เนื้อเสียเหมือนนกยูงลํำแพ n อยู่บนยอดเขาเครื่องประดับนี้มีค่า90ล้านกหาปันะค่าจ้างทำหนึ่ง0 0นกหาปณะนะและทําอยู่ถึงสเดือนโดยในช่างจํานวนร้อยจึงสําเร็จลง คืนสุดท้ายที่วิสาขาจะจากไปสู่ตระกูลสามีนั่นเองธนันชัยเศรษฐีผู้บิดาได้ให้โอวาดแก่นางเป็นที่ประทับใจและเป็นประโยชน์ในการครองเลือนยิ่งนักโอวาสนั้นมีสิบข้อดังนี้วิสาขาเมื่อลูกไปสู่ตระกูลสามีชื่อว่าอยู่ใกล้หูไกลตาพ่อลูกจงจำโอวาทของพ่อไว้ เพื่อเป็นตัวแทนของพ่อเป็นเกราะป้องกันพยันตรายสําหรับลูก 1. จงอย่านําไฟในออก 2. จงอย่านําไฟนอกเข้า 3. จงให้คนที่ให้ 4. จงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ห้าจงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้ 6. จงนั่งให้เป็น 7. จงนอนให้เป็น 8. จงบริโภคให้เป็น 9. จงบูชาเทวดา 10. จงบูชาไฟนางวิสาขาเข้าสู่พิธีอาวาหะวิวาหะมงคลด้วยเกียรติอันยิ่งใหญ่การต้อนรับทางกรุงสาวัตถีนั้นโมโหลานเหลือขนานาแต่บังเอิญตระกูลของปุณณวัฒนกุมารนั้น มิได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่นับถือศาสนาของนิครนาฏบุตรหรือศาสนาเชนมักจะเชื้อเชิญ น, นักบวชผู้ไม่นุ่งห่มอะไรมาเลี้ยงเสมอนางวิสาขามีความละอายเป็นลลนพนจนไม่สามารถออกมากราบไหว้และเลี้ยงสมณะที่มิคาราเศรษฐีบิดาแห่งสา ม, มีเลื่อมใสได้จึงเป็นที่ตำหนิของมิคาราเศรษฐี นางวิสาขาเลื่อมส่พระรัตนตรยัยตั้งแต่สมัยอยู่เมืองราชคลึ้แล้วเรื่องนี้เป็นข้อยุ่งยากในครอบครัวประการเดียวที่ยังแก้มไม่ตก วันหนึ่งเวลาเช้าพระภิกษุรูปหนึ่งออกบิณฑบาตมาทางเรือนของมิคาระเศรษฐีเวลานั้นนางวิสาขากำลังปฏิบัติบิดาแห่งสามีซึ่งบริโภคอาหารอยู่เมื่อพระมายือนอยู่ที่ประตูเรือนตามอริยตันติแบบอย่างของพระอริยะเศรษฐีมองเห็นแล้วแต่ทำเฉยเสียและหันหน้าเข้าฝา บริโภคอย่างไม่สนใจนางวิสาขาหาอุบายให้พ่อผัวมองไปทางประตูเรือนด้วยวิธีต่างๆโดยวาจาเช่นว่าท่านบิดาดูที่ซุ้มประตูนั้นสิเถาวันมันเลือ้อยรุงรังเหลือเกินแล้วยังไม่มีเวลาให้คนใช้ทำให้เรียบร้อยเลยช่างมันเถิดไว้อย่างนั้นก็สวยดี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 เมื่อนางเห็นว่าหมดห้นทางที่จะให้บิดาของสามีเห็นพระภิกษุอย่างถนัดได้จึงกล่าวขึ้นว่านิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดพระคุณเจ้าถ้ามิคาระกำลังบริโภค ข, ของเก่าเพียงเท่านี้เองเรื่องได้ลุกลามไปอย่างใหญ่หลวง เศรษฐีหยุดรับประทานอาหารทันทีตวาดนางวิสาขาด้วยอารมณ์โกรธวิสาขาเธออวดดียังไรจรึงบังอาจพูดว่าเรากินของเก่าไม่สะอาดมีเรื่องหลายเรื่องที่เราเห็นเธอและบิดาของเธอทำไม่สมควรต่อแต่นี้ไป เธออย่าได้อาศัยอยู่ในบ้านของเราอีกเลยขอให้เตรียมตัวกลับไปบ้านให้เธอได้เศรษฐีพูดเท่านี้แล้วก็ลุกขึ้นให้คนไปตามพรามพี่เลี้ยงของนางมาแล้วบอกให้พรามนำนางวิสาขากลับไป พรามทราบความแล้วเดือดร้อนใจเป็นนักหนารีบเข้าพบนางมิสาขาและถามด้วยจิตกังวลว่าแม่เจ้ามีเรื่องอะไรรุนแรงนักหรือท่านมิคาระจึงให้ส่งแม่เจ้ากลับเมืองสาเกตดูก่อนพรามนางพูดอย่างเยือกเยน็นราศจากความสะทกสะท้านใดๆทั้งสิน้นเมื่อขพเจ้ามาก็ด้วยเกียรติอันใหญ่หลวง มีค่าทาดบริวารเป็นจำนวนร้อยเมื่อถึงคราวกลับไปจะกลับอย่างผู้ไร้ญาติขาดที่พึ่งหาควรแก่ข้าพเจ้าไม่เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าอยากให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาสก่อนเมื่อเป็นที่แน่นอนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ผิดหรือผู้ถูกก็ตามข้าพเจ้าจะขอลาไปและไปอย่างมีเกียรติอย่างคราวที่มา พรามได้นํานางมิสาขาเข้าหาท่านเศรษฐีเพื่อซักฟอกความผิดให้เห็นแจ้งมิคารเศรษฐีนั่งหน้าถมึงถึงมีอาการเกลี้ยวกราดฉายอยู่ทั้งใบหน้าและแววตามีอะไรอีกพรามเศรษฐีตั้งคําถามกระชากกระชากข้าแต่ท่านเศรษฐีแม่เจ้ายังไม่ทราบความผิดของตนว่าได้กระทําผิดประการใดจึงต้องถูกไล่กลับ พรามตอบความผิดประการใดหรือเศรษฐีทวนคำก็การที่เธอบังอาจว่าเรากินของเก่าของสกปรกนะ่ะยังไม่พออีกหรือข้าแต่ท่านบิดานางวิสาขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเป็นปกติคำที่ลูกพูดนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านบิดาบริโภคของสกปรกแต่ลูกหมายความว่าท่านบิดากำลังกินบุญเก่า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 จึงพูดว่าบิดากำลังบริโภคของเก่าข้าแต่ท่านเศรษฐีข้อนี้หาเป็นความผิดแห่งแม่เจ้าไม่พรามพูดขึ้นเอาเถิดแม้นางจะไม่ผิดในข้อนี้แต่เมื่อคืนก่อนนี้นางก็ได้ทำสิ่งที่น่ารังเกียจคือคือเราเห็นนางลงไปที่คอกลาเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนนางลงไปทำไม เพราะนั่นเป็นกิจที่กุลสตรีไม่พึงกระทำข้าแต่ท่านบิดาคืนนั้นลามันออกลูกและออกด้วยความทรมานลูกเพียงแต่ลงไปดูมันและช่วยมันเท่าที่ลูกพอช่วยได้แต่ในการลงไปดูลูกไม่ได้ลงไปเพียงคนเดียวมีหญิงคนใช้ไปด้วยหลายคนและนำประทีปโคมไฟสว่างสวัยลงไปด้วย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 เพราะจะนำไฟพิบัติมาสู่ตระกูลอย่างแน่แท้เป็นไปได้หรือที่จะห้ามมิให้เรานำไฟภายในออกเมื่อเพื่อนบ้านมาขอจุดไฟและเมื่อไฟในบ้านดับเราก็จะต้องไปขอจุดไฟภายนอกบ้านเข้ามาในบ้านวีดาของนางห้ามนางมิให้นำไฟในออกและไฟนอกเข้าเราทนไม่ได้ที่จะให้นางปฏิบัติเช่นนั้นเป็นการใจแคบเกินไป นางวิสาขายิ้มเงยน้อยนอนแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านบิดาข้อนี้บิดาของลูกหมายความว่าถ้าหากมีเรื่องยุ่งยากในครอบครัวหรือเกิดระหองระแหงกับสามีหรือบิดาแห่งสามีหรืออันโตชนใดๆก็อย่าได้นําเรื่องเหล่านั้นไปเที่ยวเล่าให้ชาวบ้านฟังเพราะเป็นเรื่องประจานตัวเองส่วนข้อที่ไม่ให้นําไฟนอกเข้านั้นหมายความว่า อย่าได้นำเรื่องยุ่งยุ่งภายนอกบ้านมาก่อความลำคาญแก่สามีหรือบิดามารดาแห่งสามีและข้ออื่นๆอีกละ่ะเศรษฐีถามโดยไม่ได้เงยหนะ้านางวิสาขาชี้แจงให้ฟังตามลำดับดังนี้ข้อว่าจงให้แก่คนที่ให้นั้นหมายความว่าเมื่อมีผู้มายืมของใช้หรือเงินทองถ้าเขาใช้คืนก็ควรจะให้ เขายืมต่อไปในคราวหน้าข้อว่าจงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้นั้นหมายความว่าถ้าใครยืมเงินทองของใช้ไปแล้วไม่ใช้คืนนําไปแล้วเฉยเสียแสดงถึงความเป็นคนมีนิสัยไม่สะอาดคราวต่อไปอย่าให้ยืมอีกโดยเฉพาะเงินทองเป็นของที่ทําให้มิตรรักกันก็ได้แต่กันก็ได้ข้อว่า จงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้นั้นหมายความว่าเมื่อญาติพี่น้องประสบความทุกข์ยากบากหน้ามาพึ่งจะเป็นการกู้ยืมหรือขอก็ตามควรให้แก่ญาติพี่น้องนั้นเขาจะใช้คืนหรือไม่ก็ช่างเถิดเพราะเป็นญาติพี่น้องต้องสงเคราะห์เขาตามควรแก่ฐานะข้อว่าจงนั่งให้เป็นหมายความว่า เมื่อสามีหรือบิดามารดาของสามีหรือผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือนั่งอยู่ในที่ต่ําก็อย่าได้นั่งบนที่สูงกว่าเพราะเป็นกริยาที่ไม่งามไม่สมเป็นกุลสตรีข้อว่าจงนอนให้เป็นนั้นหมายความว่าเมื่อมารดาบิดาของสามีหรือสามียังไม่นอนก็ยังไม่ควรนอนควรปฏิบัติท่านเหล่านั้น ให้มีความสุขเมื่อท่านนอนแล้วจึงค่อยนอนที่หลังและนอนวางมือวางเท้าให้เรียบร้อยพยายามตื่นก่อนสามีและมารดาบิดาของสามีจัดแจงน้ําและไม้ชําระบฟันไว้คอยท่านเสร็จแล้วดูแลเรื่องอาหารเครื่องบริโภคไว้สําหรับท่านข้อว่าจงบริโภคให้เป็นนั้นหมายความว่า ย่าบริโภคก่อนสามีหรือมารดาบิดาของสามีคอยดูแลให้ท่านบริโภคแล้วจึงค่อยบริโภคทีหลังหรืออย่างน้อยบริโภคพร้อมกันในการบริโภคนั้นควรสำรวมกริยาให้เรียบร้อยไม่มูมามไม่บริโภคเสียงจับจับเหมือนอาการแห่งสุกรไม่บริโภคให้เมล็ดข้าวตกเรียรา่าดังอาการแห่งเป็ด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 ข้อว่าจงบูชาไฟนั้นหมายความว่ า, วาให้บูชาบิดามารดาของสามีท่านทั้งสองเปรียบเหมือนไฟมีทั้งคุณและโทษอาจจะให้คุณให้โทษได้ถ้าปฏิบัติดีก็จะให้คุณแต่ถ้าปฏิบัติไม่ดีก็จะให้โทษมากเพราะฉะนั้นจึงควรปฏิบัติต่อท่านด้วยดีมีสัมมาคารวะไม่ดูหมิน่น